โอ้ความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่หลวงประพุทธญาณได้นำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้าสืบต่อมาถึงช่วงที่เข้ารับการศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรเรื่องก็คงมีคณาจารย์อีกหลายท่านด้วยกัน คุณสมบัติของความเป็นครูซึ่งมีการคัดสรรกันเป็นพิเศษเราออกเป็นมติคือเลือกกว่าครูวิศวามิตรนั้นก็ได้เน้นไปทั้งตัวคุณธรรมโดยตัวความรู้ความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของความเป็นครูในขณะเดียวกันในประบาลี ถ้าได้อธิบายลักษณะของรูคุณสมบัติของความเป็นครูไว้ั้งหกประการเจ็ดประการด้วยกันก็เป็นข้อที่น่านำมาศึกษาเพราะว่ายัางทันสมัยอยู่เหลือเกินคื อ, อยังนึกนึกอยู่ว่าเราไปเรียนวิชาอะไรกันมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทางทางในเนืแง่ของความเป็นจริงแล้วเราก็มีอยู่แล้วในคำพีพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเราถูกครอบงำทางจิตวิญญาณมากเกินไปไมีลักษณะยอมสยบต่อความรู้สึกว่าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนา ในขณะที่คนอื่นเขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่ซิวิไลโดยไม่รู้ว่าเกณฑ์อะไรคือกำหนดว่าความเจริญหรือไม่เจริญเพราะาในแง่ของความเริงจริงแล้วในยุคใดสมัยใดก็ตามที่ชาวโลกทาลายทรัพยากรลงไปมากมันก็เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนิเวศในด้านภูมิศาสตร์พวนั้นก็ถูกทำลายไป แต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดสภาพต่างๆเปลี่ยนแปลงขึ้นทางสังคมมีการสถานที่มีแต่นนุ่นทางอะไรต่ออะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดีคนดีอาจจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรก็ได้เราลองดูว่าประเทศเราของประเทศของเราในปัจจุบันที่จริงก็ อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเจริญก้าวหน้าก็มีปัญหาใหญ่อยู่ที่ปัญหาเศรษฐกิจแต่ถ้าเราบีบปัญหาเศรษฐกิจให้มีความสําคัญลดน้อยลงไปเืรอแก้ปัญหาระดับสังคมระดับประเจรกรชนที่มาอยู่ร่วมกันกลายเป็นสังคมกลายเป็นประเทศชาติ เมื่อประชากรมันมีคุณภาพขึ้นมาเศรษฐกิจก็แก้ปัญหาได้เองพะเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปวาดพิตกอะไรไปให้ความสำคัญอะไรแก่เขามากปีวันนี้เมื่อเราให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากปัญหาสังคมมันก็เกิดและเกิดก็ค่อนข้างแรง รแรงเราก็นึกไม่ออกว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องการจริงหรือการเบียดเบียนกันปรนาดีกรรมต่างๆความขัดแย้งกันเรื่องทุกเรื่องกับเคลื่อนกสู่การเมืองหมดแล้วก็ไม่เข้าใจถึงเนื้อหาสาระของคำมมาการเมืองมีการเมืองก็ลงไปเล่นกันถึงระดับตำบลมีแข่งขันมีการตอ่อสู้มีการเข็นค่าทำลายล้างกันไปแย่งความเป็นใหญ่ รธรรมชาติของมนุษย์วสุยสยังโลกเออำนาจเนี่ยเป็นใหญ่ในโลกพอมาเปิดโอกาสกระจายอำนาจออกไปก็แย่งอำนาจกันทีนี้อำนาจมันไปจำกัดไว้ที่กลุ่มคนไม่มากพอถึงจุดหนึ่งก็ฆ่าแย่งชิงอำนาจกันแล้วทั้งผู้ฆ่าทั้งผู้ถูกฆ่าบันก็ตายด้วยกัน ปู่ถูกฆ่าตายไปด้วยความดีคนฆ่าตายไปด้วยความเลวก็กลายเป็นวัตถจักรที่หาจุดแก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่ความคิดแต่ด้านการศึกษาของเราเองก็ค่อนข้างสับสนว่าไม่รู้จะไปทางไหนโมนมีเปลี่ยนกันด้วยพูดกันเด่อยสัมมนากันด้วยและจากการที่เข้าไปร่วมสัมมนากันแต่ละคราวเนี่ย ที่มีความรู้สึกผมพูดเรื่องเดียวกันและที่สาคัญอย่างยิ่ยงว่าทุกเรื่องที่ท่านพูดน่ะมันมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่กับเรามาทั้งสองพันกว่าปีแล้วเราก็ไม่ได้ อ, ออกมาใชพตอนการมองไปร่มพระโพธิญาณเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่ามันเป็นทางเดินเฉยๆคือไม่ได้มาเล่าผุดรวัติกันหรอกแต่จะดึงเอาธรรมะ ดึงเอาเหตุการณ์ดึงเอาหลักการต่างๆที่ปรากฏบนเส้นทางการแสวงหาหรือการทำงานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการปรับเปลี่ยนหรือเสริมสร้างวิธีคิดในปัจจุบันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลมาจากประสบพารณ์ยุติธรคือมีความสมบูรณ์อยู่ในเนื้อในตัวของเขาแล้ว ในคุณสมบัติของความเป็นครูเนี่ยเวลานี้ถ้าพวกแม้แเอกสารทางราชการเอง ท, ที่พบนะฮะก็ได้นำไปเผยแพร่ ก, กันอบรมครูบาอาจารย์กันแต่ว่ามันค่อนข้างทวนกระแสเมื่อทวนกระแสก็ยากที่จะสัมผัสได้ลึกซึ้งจริงๆเรเรียกว่าเราหลอมเข้าไปเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆ เพื่อามองถึงครูมองถึงหมอในสมัยโบราณเนี่ยเอาสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่าครูเนี่ยท่านไม่ต้องการเงินทองอะไรแต่ว่าต้องการที่จะให้ลูกศิษย์นี่ได้ความรู้ไปแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปอาจจะจากัดกลุ่มคนที่เรียนกันอยู่บ้าง เพราะอะไรเพราะว่าคนบางคนนั้นพื้นฐานด้านจิตใจเขาไม่ดีพอแล้วก็พัฒนาไปได้ยากอาจารย์ก็จะมีวิธีสอนโดยเห็นว่าก็สอนอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คืออยู่ประจำอยู่แบบครอบครัวคนนี้ไม่ได้คิดเป็นเงินเป็นทอง แต่ว่าการทำงานนั้นก็คือเป็นค่าเราเรียนไปด้วยอย่พวกหนึ่งก็คือใช้จ่า ย, ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจารย์เขาไม่เคยเอาจริงเท่าไหร่แต่ว่าตั้งราคาไปสูงก็ยังนึกถึงแบบปัจจุบันเนี่ยนะฮนะระบบหน่วยกิตต่างๆเมื่อก่อนได้ไปที่มเาเลรลัยแห่งหนึ่งก็ดูแล้วมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วมากเขาควบคุมกิจกรรมทางการศารึกษาได้กว่าครบวงจรนะ มาถึงเจ็ดแห่งด้วยกันแล้วก็ทราบว่าไอ้เงินที่ได้จากหน่วยกิจทั้งหลายนะมันก็กลับมาสู่การพัฒนาพัฒนาบุคลากรพัฒนาคารสถานที่แล้วก็สวัสดิการในด้านต่างๆก็อย่างืี้ก็เออจิตปัญญาณของความเป็นองค์กรทางการศึกษามันก็กลับมาจวทำยังไงจะเปลี่ยนจาก ความเป็นธุรกิจทางวิชาการให้เป็นธุรกิจในการบริการในการเสริมสร้างพัฒนาตัวการใหญ่ก็คงอยู่ที่ระดับแผนนโยบายแต่ว่าตรงนี้ก็พูดระดับของผู้บริหารการศึกษาจริงๆเขาเรียกว่าพูดทาหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดยพื้นฐานท่านบอกว่าเป็นปิโยคือว่าน่ารักปิโยเปลวเป็นที่รัก คือคนเราจุดจุดเริ่มต้นเนี่ยทำอะไรทำยังไงจะเชื่อมเรากับเขาให้ได้คือถ้าเชื่อมเรากับเขาได้แล้วย่างอื่นมันไม่มีปัญหาเพราะในจุดเชื่อมเนี่ยบางครั้งมันเชื่อมกันทางสายเลือดบางครั้งมันเชื่อมกันทางการงานนะฮะบางครั้งมันเชื่อมกันทางแต่งงานบางครั้งมันเชื่อมกันด้วยผลประโยชน์ต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็ดีระดับหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมกันด้วยจิตวิญญาณจริงๆก็หมายความว่ามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันก็จะตัดตอนเรื่องอื่นๆออกไปหรือไม่ให้ความไม่ให้ความสาคัญแก่เรื่องอื่นๆก็มาให้ความสําคัญแก่ความน่ารักน่าเคารพน่านับถือของท่านเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้อง สร้างกิริยาคือแต่ละฝ่ายนั้นมีกิริยาปฏิกิริยาํานองที่เรียกว่ามีให้ก็มีให้ตอบมีไหว้ก็มีไหว้ตอบมีบูชาก็มีการบูชาตอบมีดีก็ดีตอบเพราะการที่ครูมีอัตจฉรัยน่ารักเนี่ยความรักที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องได้รับอุปการคุณ คือหมายความว่าคนที่มีความรู้สึกว่าครูคนนี้เป็นผู้ที่มีที่น่ารักเนี่ยเขาก็ต้องรับประโยชน์จากผู้ที่เป็นครูเช่นไร้ขันการแสดงออกซึ่งความเป็นกาลยานมิตรของครูบาอาจารย์มีอุปกา ร, ร, ระคุณประพฤติแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีความรักใคร่เป็นมิตรสนิทสนมกับลูกศิษย์ แล้วก็พร้อมที่จะรวมทุกรวมสุกสิทธิ์ของตัวเองไม่ทอดทิ้งจนกลายเป็นหลักความคิดอย่างแนวคนจีนที่บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์กับวันเดียวก็เป็นพ่อแม่แตลอดชีวิตนี่คือถ้าปฏิบัติได้จริงๆสำนึกได้จริงๆและรักษาความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไว้ได้จริงๆมันจะกลายเป็นสายใหญ่ที่ ผูกมัดจิตใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายเอาไว้แล้วก็ขยายผลต่อไปถึงลูกถึงหลานคือถึงชั้นลูกชั้นหลานาอาจจะไปสืบต่อกันนะหลายชั่วคนก็ได้เหมนการทำตัวให้เป็นให้สิทธิ์เขารักเนี่ยโดยพื้นฐานครูเองก็ต้องมีน้ำใจเมตตรีดังกล่าวและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความเป็นครูเนี่ย มันก็อยู่ในโครงสร้างของพระพุทธคุณบทว่าวิชาจารณ์สัมปนโนคือมีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีความฉลาดสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับสิทธิ์ซึ่งมีความหลากหลายและมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันตพรางานครูมันเป็นงานทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่ทุกคนทําได้ ทำได้ดีนะฮะไม่ใช่ทุกคนทําได้ดีแต่ว่ามันจะบีบจานวนคนที่ทําได้ลงไปถ้าพูดถึงระดับดีแล้วในคนจะน้อยลงเคยได้ฟังท่านควงอภัยวงท่านมาปาตกถาที่หน้าเมนที่วัดม่วรหลายปีมปแล้วนะฮะปศรประมาณสองร้อยสองสองพันห้าร้อยสองท่านบอกว่าผมนั้นก็เป็นอะไรมามากแล้วนายกรัมจีก็เคยเป็นมาตั้งสี่ครั้ง ดนตรีกระทรวงต่างๆแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการก็เคยเป็นมาตัวอย่างหนึ่งที่ผมเป็นไม่ได้แร้วท่านก็บอกว่าคือการเป็นครูพอสอบถามมาทําไมจึงเป็นไม่ได้ท่านบอกว่าผมมันเป็นคนทะลึง่งตึงๆังไปเดี๋ยวจะสอนลูกก็เป็นลิงเป็นข้างไปหมดก็เป็นการฟังแล้วมาทบทวนมาย้อนคิดเนะี่ย พนครูจึงต้องมีทั้งแนะทั้งนำของการทำตัวให้เป็นที่น่ารักเนี่ยมันสรา้รางความประทับใจให้เก็ดสิทธิศ์ศะสิทธิ์เองก็จะทำตัวเองให้เป็นให้น่ารักหรือเป็นที่รักของเพื่อนฝูงของครูบาอาจารย์กระจายออกไปเพราะว่ามันเป็นการสอนในรูปของการทำให้ดูกับการครองชีวิตได้เห็นคือมันมีแบบมีแบบให้เดินตามให้ถือตามให้ปฏิบัติตามในแนวที่ แต่ผู้สํบูนไทยก็คือเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดถ้าพูดถึงสํบูรบาลีท่านก็บอกว่าให้เดินไปตามมนทางที่ท่านได้เดินมาแล้วประการที่สองคือทำตนให้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์อันนี้หมายความว่าเราต้องมีดีจะทำยังไงให้ศิษย์มีความรู้สึกว่าเธอต้องอาศัยครูไม่ใช่ครูอาศัยเธอ คือถ้าไปเธอมีความรู้สึ ก, กว่าครัวใส่เธอแล้วจะยากนะฮะอย่าที่จะเกิดความเคารพนิยากเพราะในการศึกษาในโอกาสต่อไปจึงก็คิดคิดแล้วรู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันลึกๆเนี่ยว่าเมื่อเรามีความคิดในเชิงที่เป็นธุรกิจทางวิชาการมากยิงขึ้นมันจะกลายเป็นตลาดวิชาไปได้ไหมคือนักิสษาก็มาถึงก็ซื้อซื้อ ครูก็ขายขายๆาย า, ย า, ยายแล้วก็กลับกันไปมันเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบลูกค้ากับพ่อค้าทึ่ในแง่ของว่าเป็นจริงแล้วก็ไม่มีสายใหญ่ที่จะปูกมัดจิตใจของกันและกันเอาไว้เพระาะไรเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันการที่เขาให้เพราะเราให้เขาถ้าเขาเราไม่ให้เข า, เขาก็ไม่ให้เรานะบางครั้งบางคราวเราจึงได้ยินข่าวที่น่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันการศึกษากับโรงพยาบาลเนี่ยบคนป่วยหนักไม่มีเงินจ่ายก่อนล่วงหน้าก็ไม่ยอมรักษาเป็นต้นเนี่ยแม่มันน่าสะดุดตูทูดนะฮะแต่โรงเรียนก็เหมือนการบางครั้งบางคราวนักเรียนมีปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ซึ่งมันน่าจะมีอะไรผลประนช่วยเหลือหรือตั้งกองทุนสงเคราะห์เยาวชนขึ้นมาเนี่ย ก็กลับไล่เธอไปทำลายชีวิตทั้งชีวิตของเธอเพราะการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่ไม่ใชความเป็นมิตรเพียงแต่ว่าถ้าเธอให้ฉันเธอก็อยู่ได้ถ้าไม่ให้ฉันเธอก็ต้องออกไปแต่อย่างนี้มันก็รู้สึกหนักความเคารพมันก็เกิดไม่ได้เพราะความเคารพเนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานในคาเคารพมีอะไรมีความรู้ดี มีความคิดดีมีความสามารถดีแล้วก็มีน้ำใจดีมันตัวเชื่อมโยงมากที่สุดคือน้ำใจอย่างยื่นอาจจะบกพร่องไปบ้างนะนะแต่ถ้ามีน้ำใจดีต่อลุกศิตย์แล้วที่เขาเรียกสาหายนะฮะแปลว่าผู้พี่เนที่ที่มีน้ำใจดีหมายความว่ามองกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมพร้อมจะสงเคราะห์นุเคราะห์เกือ้อกูล แล้วก็เสียสละประการต่อไปคือภาวณิยโยครูเองจะต้องมีการพัฒนามีการก้าวหน้าไปเรื่อยๆมีการศึกษาค้นคว้าไปโดยลำดับคือหยุดอยู่ก็ไม่ได้นะในแวดวงทางวิชาการเนี่ยครูจะต้องไปผู้ตื่นตัวตลอดอย่าคิดว่ารู้แล้วเก่งแล้วดีแล้วสามารถแล้วถูกต้องแล้วไม่ใช่หลไม่มีใครที่จะรู้ดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง พการติดตามข่าวคราวเรื่องราวต่างๆก็ดีการความเปลี่ยนแปลงทางเนื้อหาวิชาการในร้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสายสังคมศาสตร์มันจะเปลี่ยนแปลงในบางหมวดวิชาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางการเมืองกับทางการเมืองนี่จะเปลี่ยนแปลงกันบางทีก็ตอบผิดเลยสามประธานาธิบดีรัสเซียชื่อยยังไงอย่างเงี้ยที่ก็ตอบผิดเลย พะเรกินวันก่อนมาีคนหนึ่งเอวันนี้มันกันเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เองก็เถอะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วซึ่งก็หมายความว่าครูเองจะต้องฝึกปรืออบรมพัฒนาอยู่เสมอคือต้องนำหน้าประเด็นตัวเนี้ยที่จริงก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงในวงการพระเรา คือเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนที่มาบริหา ร, รศาสนานะแก่เกินแกงแต่นั้นเลยนะความพิจัตอยู่เมื่อศตวรรษที่แล้วนะและในขณะเดียวกันนะก็มารับผิดชอบงานศาสนาในศตวรรษนี้มันอืดมันลาาช้ามันไปไม่ได้แล้วก็ไม่ทันเหตุทันการอะไร แกนี้ไปที่ไหนเนี่ยมันมีแต่ปัญหาที่เขาพูดเขาโจมตีเขาท้วงติ ง, งโดยเฉพาะการนี้ันธรรมการเนี่ยบางทีโดนทุกขังเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรก็บเขาเลยนะแต่เราก็ต้องชี้แจงต้องอธิบายเพราะเราก็เป็นหน่วยหนึ่งของพุทธบริษัทถึงอธิบายบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ถ้ามีเหตุมีผลอยู่ในกฎในเกณฑ์เนี่ยเราจะพูดง่ายมากออกนอกกฎนอกเกณฑ์แล้ว เราก็พูดยากแล้วคือจาพูดปกป้องไว้มันก็กลายเป็นอคติซึ่งก็ไม่ควรจะมีนะเพราะว่าเขาอาคติกันอยู่แล้วแต่เรากระโจนลงไปอคติกับเขาอีกคนหนึ่งมันก็เพิ่มปัญหาขึ้นมานี่คือคือเรื่องที่ที่น่าคิดว่าการอบรมอย่างเนี้ยและบางทาง้งบางครั้งบางกาเราก็ทําน้อยเกินไปไม่ทันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเลย แต่ว่าจบแล้วบางทีในวงการพระในบางทีอบรมประชุมอะไรเนี่ยวันเดียวนะเช้าชู่วที่ยงถึงเย็นก็เลิกแล้ววันนึงไม่กี่ชั่วโมงประชุมประชุมทีไม่กี่ชั่วโมงนเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากเฮ้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วตัวอย่างเนี่ยคณะธรรมยุทธเนี่ยเขาประชุมปีหนึ่งครั้งเนี่ย ประชุมระดับชั้นราชขึ้นไปนะฮะชั้นข้างเดียวตั้งเองแล้วก็ประชุมไม่กี่ชั่วโมงเลิกแล้วแล้วก็ไม่มีได้น้ำได้เนื้อะมีแต่น้ำนี่เป็นเรื่องทีน่าคิดไหมวัตตาเคยจะต้องมีความอุตสาห์พร่ำสอนครูเนี่ยแปลว่าผู้ชี้บอกผู้สั่งสอน ทีก็ทั้งสั่งทีก็ทั้งสอนนั่นนะซึ่งก็หมายความว่ามีความฉลาดสามารถในการชี้แจงในการอธิบายในการชี้อบอกซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นด้วยตัวของเราเสียก่อนแต่เรื่องอะไรที่เราไม่มั่นใจหรือเราเข้าใจไม่ดีพอก็ไม่ควรจะสอนคนอื่นเราก็สอนเฉพาะเรื่องที่เราถนัด ทำเฉพาะเรื่องที่ทำได้ดีแล้วก็ในบงการเองก็ต้องสร้างคนขึ้นมานะฮะพัฒนาคนขึ้นมาในด้านเหล่านี้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยในการสอนหนังสือในฐานะของคนที่เป็นครูเนี่ยมันต้องสามารถในการแนะแล้วก็ในการนำอย่างสานวนที่มีการพูดกัน ว่าสอนให้รู้เขาไม่รู้ต้องรู้ไม่เข้าใจต้องเข้าใจไม่เป็นต้องเป็นไม่ได้ต้องได้ก็พยายามที่จะอธิบายโดยวิธีการต่างๆอุปมาอุปไมยนําไปดูนะฝึกให้ทำอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าพูดถึงยาวชนสมัยนี้ มันเธอรับสื่ออะไรต่างๆหยกมากการจะทำความเข้าใจกับเธอที่จริงเรื่องมันไม่ค่อยจะลับซับซ้อนอะไ ร, ไรเท่าไรหรอกบางทีเธอก็ตอบได้เร็วนะฮะเสังเกตเวลาเราไปอบรมเด็กๆไปเล็กๆเนี่ยฮะที่จริงเราถามไม่คิด เ, ดยเฉยๆเราพูดให้คิด เ, ดยเฉยๆเด็กก็ตอบเลยนะฮะแล้วก็ดีใจว่าเออ เด็กหัวไวก็ใส่ใจสนใจที่จะหาความรู้หาความเข้าใจแต่แน่นอนนะคนที่ไม่เอาอะไรมันก็มีนี่เป็นอยู่กับพื้นฐานของเด็กเรล่านะั้นแต่ก็สรุปว่ามันต้องอุตสาห์ท่องสอนจำจี้จำใจสอนแล้วสอนอีกให้ทำแล้วให้ทำอีก <c oughs> จนเกิดเป็นเรื่อ ง, งมีวิ น, นัยในตัวเองขึ้นมา มันมีจิตสานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองในการศึกษาเรื่เรียนของตัวเอ ง, งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอยู่นี่ปัญหาสำคัญเวลาเนี้ยเราไม่ค่อยได้ครุกคลีกันขนาดนั้นคื อ, อยังนึกว่าเอาก็จริงพอเราไประดับโลกแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิทย์เนี้ย ดาวิดเวลาไปแข่งขันโอลิมปิกในด้านต่างๆพวกเคมีพวกฟิสิกส์พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราไม่เคยได้ชนะและอย่างราวที่แล้วเนี่ทราบว่าเราอยู่อันดับที่ทั้ง40กว่าในขณะที่เวียดนามอยู่แค่24นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดแล้วก็ทบถทุนบทบาทของตัวเองคือมันเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะมันเหมือนกับหมอคือเรียนมารักษาโรคแล้วมาบริหารใช่ ครูเรียนมาเพื่อสอนแล้วมาบริหารคือชอบตำแหน่งในทางบริหารบริหารให้พวกเขาเรียนมาทางบริหารนะ้ก็บริหารแต่แล้วก็พวกถนัดทางไหนก็ทำงานในด้านนั้นมันไม่ใช่ว่าใหญ่เพราะการบริหารที่จริงครูในใหญ่เพราะการสอนนะฮะสามารถสร้างสิทธิ์ได้ที่ดีนั่นคือเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นครูทั้งฟังทั้งหลายแต่หลวมพพุทญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทนี้ที่สุนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม ที่มีแต่ท่านผู้ฟังเั้งหลายโดยตัวกันสวัสดีอธิบายก็เรียกคำพีรังกถังกัตตาคือขยายคำอธิบายได้ลึกซึ้งโดยลำดับให้เราสังเกตนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกคือพูดง่ายๆนะะที่จริงพูดเรื่องเดียวอย่างได้เลยพูดประพฤติดีอย่างเดียวกันได้ ดนั้นถ้าเรามองแนวแล้วเนี่ยมันประมาณสักสามสี่แนวแนวหนึ่งก็คือให้กำหนดรู้ทุกละสมุทัยแล้วก็ทำในโรดให้แจ้งแล้วก็เจริญมรรคดันั้นแนวอริยสัจสี่แนวหนึ่งก็คือป้องกันชั่วขจัดความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีก็แนวก็เรียกว่าแนวสมมวัยมะคือความพยายามชอบแนวที่สองแนวที่สามก็คือแนวละบาปบาเพ็ญบุญ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 มีวิธีสอนที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาสาระเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันใะเช่นสมมติว่าเจริญสมาธิเนี่ยจะเจริญกับอารมณ์อะไรก็ช่างนั่งดูขี้หมา ย, ยังได้เลยแต่ให้จิตมันสงบจากนิวรณ์ก็ถือว่าเป็นสมาธินั่งดูใบไม้สับใบนั่งดูน้ําไหลก็ได้นั่งดูอะไรก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไร เพื่อให้จิตมันเกาะแล้วก็สงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเท่นั้นเองผลความสามารถในการอธิบายเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดเรื่องเรื่องอย่างอื่นได้แมะคนเนี้มันพูดไปได้ขอก่อนนะอย่าฆ่ากันนะขอแค่เนี้ยขอแค่นี้ก่อนแต่ว่าการพูดไม้เขาฆ่ากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน แต่ถ้าเขายังไม่โกรธกันอยู่เนี่ยมันพูดง่ายหน่อยแต่ว่าโกรธกันกำมังคพึ่งๆกันอยู่เนี่ยจะฆ่ากันแล้วเราเข้าๆไปพูดตรงกลางเนี่ยเรื่องใจเลยแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันแล้วเขาไม่ได้ถึงกับประทุสร้ายรุนแรงกันเราก็ไปพูดอีกต่อนหนึ่งคืออย่าเบียดเบียนกันทีนี้เมื่อเห็นว่าเขาทําได้แล้วเขาไม่เบียดเบียนกันอยู่แล้วก็ ทำยังไงอย่าไปยกจ้องสรรเสริญเวลาเขาไปทําชั่วเพราะมันจะได้ใจจะกําเริบเสพสารจะทําชั่วกันจนเพลินแล้วก็ทํายังไงว่าใจเราเนี่ยให้มีเมตตาปรานาดีต่อเขาเนี่ยก็พูดลึกไปเรื่อยก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันนั่นแหละให้เราสังเกตว่าเมตตาเนี่ยมันเริ่มมันจากสีข้อที่หนึเริ่มมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ ไปศีลละเอียดลึกซึ้งขึ้นเท่าไหรก็ตามมันไปยึดโยงอยู่กับเมตตานะในส่วนที่เกี่ยวกับเราอะนะแม้แต่กินจับจับกินสุดสุดกินเรียมือเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ยมันอาศัยเมตตา ต, ตัวเองเออทำอย่างนี้มันเสียชื่อมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแล้วก็เสียชื่อวัดวาอารามเสียชื่อพ่อแมนะ่ใจมันก็นึกถึงคนอื่นแล้วก็ปฏิบัติสำรวจประวัติ ทีนี้ถ้าใจเมตตาเป็นฐานจะแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องรุงรังหรอกไม่ต้องไปนับำตบจบนั่นก็คือแนวในการอธิบายคืออธิบายจากตื้นไปหาลึกจากง่ายไปหายากจากใกล้ไปหาไกลยอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะแนวการอธิบายเหล่าเนี้ยมันเริ่มแรกเริ่มแรกก็คือชัดเจนนะสันทัศนานาคือแสดงเรื่องอะไรได้อย่างชัดเจนเราลองดูตัวอย่างที่ท่านสะท้อนภาพของ ฤสีจะเกาะแก้วพิสดารมาช่วยสุดสิครเนี่ยมันเป็นภาพสวยมากประเดี๋ยวเสียงเ ง, ง่งง่างว่งเวงแว่วสะดุ้งแล้วเหลียวแหลจะแงหาเอ็ดโยคีขี่รุง่งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปนั่งอย่างบรรพต แราสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เป็นแสนสุดฤทธิ์ล้ำและกรรมหนดเป็นเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดรเป็นหนึ่งในน้ําใจคนมนุษย์นี้ที่รักสองสถานบิดามารดารักหมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้คือกายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นยังจินตาจารไปต้นว้ว่าไปเลยถ้าพมันสวยแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถที่จะสะท้อนภาพจากจินตนาการตัวเองนะให้คนอื่นเกิดจินตนาการร่วมด้วย แล้วก็เห็นเห็นคล้อยตาเป็ดภาพเป็นความรักความบุญความเปรดปรารถนาดีของท่านฤาษีจกกักรแก้วพิสดารที่มีต่อสุทธิขอรแล้วก็สมาดปนาคือชินชวนชักชวนให้ผู้ศึกษาในเห็นตามคล้อยตามจนถึงปฏิบัติตามบางครัง้งบางคราวต้องปลุกเร้าเลยนะฮะปลกเร้าเช่น มีคราวหนึ่งตั้งแต่ปศตสองผาน505ไม่ต้องผ่าน525ตอนนั้นมันมีศาสนาภัยเกิดขึ้นมาเยอะเลยมาเป็นวิทยกรได้รับการนิมนต์ไปบรรยายอบรมในที่ต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้อบรมอีตอนบ่ายโมงคือพระี่บ่ายโมงท่านปกติมักจะจำวั ด, ดนะมักจะพักบ่ายโมงถึงสองโมงเนี่ยแล้วก็เอามาให้ฟัง ควรต้องเป็นการพูดในลักษณะที่เหมือนกับปลูกระดมเลยคือให้ตั้งตื่นอยู่ตลอดระยะเวลาเลยมีความกระตือร้นมีความพอใจที่จะติดตามบางทีก็ฟังเทปมาเนี่ยคนก็ตกใจในควาปลูกระดมเพราะว่ามันก็มีวิธีอ่ะวิธีที่ถ้าไม่งั้นจะหลับหมดหรือจะพูดเรียบเรียบช้าๆแบบพระเทศพเฉยๆจะหลับหมดเลยแล้วก็ใช้วิธีที่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 จะมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกสำบันศาสนาคือเพลินผู้ฟังในเพลินมันเข้าไปร่วมเมือเข้าไปอยู่ในกิจกรรมตรงนั้นเทุกนาทีเราก็มองเหมือนกันนะว่ามันทีไปฟังเขาพูดเขาบรรยายเนี่ยสามสี่ชั่วโมงแล้วฟังเฉยๆก็ไม่เห็นเรือร้อนอะไรแต่คนบางคนในกระสรับกระสายอึดอัดแล้วแต่ต้องพูดดีๆนะฮะพูดดีๆจะฟังได้สบายคือมันมันต้องมีเหตุมีผลมีหลัก สมาที่อึดอัดมากนี่คือพูดแล้วก็บิดเบือนคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกขวัตะของอาจารย์ตัวเองมาพูดเชิบเชิบอย่างเงี้ยเวเนี้พระเรามีจํานวนไม่น้อยที่ไปชอบเอาอะไรของใครมาไม่รู้มาพูดแล้วก็อ้างว่าเป็นพระพุทธภสสิตคือถ้ายกพุะพุทธภาษิตขึ้นมานะแล้วก็อธิบายขยายความไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทีนี้ถ้าหากว่าเอามาโดยละเลยอย่างเงี้อยอย่างพูดว่า ผีไม่มีจริงอะไรเนี่ยก็คุณว่าเอาเองแต่ถามในพุทธศาสนาว่าอย่างไงเนี่ยว่ามีนะผีก็มีผีข้าวพิกษุมีกรณียกเว้นให้หยุดสวดปฏิโมกได้เพื่อพยาบาลพิกษุเหล่านั้นหรือว่าพิกษุที่ผีสิงเนี่ยไปกินเนื้อดิบๆปลาดิบๆหมูดิบๆอะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องอบัตแต่พระนิชันไม่ได้นะพระทั่วไปนิชันไม่ได้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 แล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็ตรงกันทุกคนทุกแข่งด้วยนี่ฝรั่งก็มองยอย่างนี้แต่ยังชื่นจมอื่อฝรั่งเลยเขาเข้าใจคิดคือพูดเป็นภาษ า, ษาธรรมดาเมื่อเราพวก่นสนามหลวงมีงานตอนเนี้ยในโบสถ์พระแก้วมีกิจกรรมยังไงก็พูดธรรมดาเพราะอะพราะมันมีจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือพูดเรื่องจริงมันพูดธรรมดาไม่ต้องมีพิเศษอะไรขึ้นมา แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็เรียกว่าโนจัตฐานเนนิโยชยเยคือไม่ชักนําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่นักเรียนถ้าเราสังเกตว่าบ้านเราในบางทีมันไม่มีหลักเกณฑ์ให้แล้วก็ผู้ใหญ่อย่างยากยกรณีเนี้ยตัวอย่างที่มีการปีนทำเนียบรัฐบาลรั้วทำเนียบรัฐบาลกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบ้านเอกชนมันก็ผิดแง่ๆอยู่แล้วอ่ะ มันไม่ใช่ว่าคนจนละะต้องเป็นอภิสิทธิชนแล้วก็นักวิชาการนักการเมืองด็ตอร์ด็อกแปออกมาพูดอะไรก็อไหจงตีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะให้เขาทำอย่างไงอ่ะอันนี้คือหน้าที่ราชาการมันเป็นภาร ก, กิจที่กำหนดกฎหมายก็วางไว้บ้านมือมันต้องมีคือมีแปรอย่างนี้แหละก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละรือถ้าเราไม่ต้องการให้ตำรวจดาเนินการกับเราเราก็อย่าไปทำให้ผิดกฎหมายเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ และนี่คือปัญหาที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันใช้อารมณ์มันใช้อคติตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปตำหนิติเตียนคนซึ่งทำตามกฎเกณฑ์แล้วก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวมาตลอดอะนะนี่คือปัญหาที่ที่เราเตืนได้อย่างหนึ่งว่าไปแนะนำในสิ่งที่ไม่ควรจะแนะนำมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ทีนี้ถ้าคนกลุ่มหนึ่งนนั้เออเห็นก็ทําได้เนี่ยมีด็อกเตอร์คนนั้นก็มาแก้ต่างให้สมักนั้นกลุ่มคนนั่นใดแต่ใดสมรถชานั้นอยกย่องสันเสริญกันแล้วก็ทํากันใหญ่แล้วทํำยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ม, มาเป็นพันๆนะแล้วบ้านเมืองเนี่ยมาต้องดูแลคนอยู่แค่พันคนนั่นเองถ้วทํำยังไงอ่ะคนอื่นอยู่ยังไงไอ้ น, นี่คือสิ่งเดี๋ยต้องคิดเยอะนะ มันต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเนี่ยบ้านเมืองเราที่ป่วนเนี่ยมีบ่อยนีหลายครั้งนะที่มันเกิดจลาจนขึ้ น, นมาเพราะอาจารย์ไม่ได้ปลูกกระดมอยู่หน้ากระดานแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้สำ น, นึกรับผิดชอบอะไรเวลาเกิดความเสียหายขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยไอ้นี่คือข้อห้ามอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นครูเนี่ยคือไม่จักนำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอาถรรพคือเป็นไปไม่ได้นะ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 แบบอย่างที่ไม่ดีเนะี่ยมันเรียนกันง่ายแบบอย่างที่ดีเรียนยากเป็นภารกิจของครูที่จะนำสิทิ์นิทวนกระแสะอารมณ์ทวนกระแสะสังคมทวนกระแสะกิเลสขึ้นไปเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ดีแล้วก็ความประพฤติดีโดยมีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคม คุณภาพของประชากรเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นปนัญหาภูเขาทีเดียวต้องฟังทัหลายแต่รมประภวิทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไยบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี